วิธีแต่งตั้งและกรร ม, มาวาจาแต่งตั้งภิกษุสั่งสอนภิกษุณีเบื้องต้นพึงขอให้ภิกษุรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรร ม, มาวาจาว่า145ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุเช่อนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีนี่เป็นยติ ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งภิกษุเช่อนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุเช่อนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีท่ารูปนั้นพึงนิ่งท่ารูปใดไม่เห็นด้วยท่ารูปนั้นพึงทักท้วงข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า สงต่งตั้งภิกษุเชื่อนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุเชื่อนี้ให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีท่านรูปนั้นพึงนิง่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพวกภิกษุช well. าบัคีโดยประการต่างๆ แล้วจึงตราัสโทษความเป็นคนเลี้ยงยากแล้วจึงรับสั่งให้พิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้